แนะนำบทฟุศซิลัตบทนี้เป็นบทมักกียะห์มี 54 องค์การที่ความสนใจในด้านหลักอะกีดะห์อิสลามิยะห์คือการให้ความเป็นเอกภาพศาลการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงอัลกุรอานซึ่งถูกประทานมาจากพระผู้ทรงเมตตาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและข้อพิสูจน์อันกระจ่างชัด ที่บ่งชี้ถึงความสัจจะของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นการปฏิหาริย์อันยืนยงและการถาวรแก่ท่านนบีบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่ององค์การและศาลโดยยืนยันถึงข้อเท็จจริงแห่งการเป็นศาสนทูตพระองค์ทรงเลือกท่านจากปวงบ่าวทั้งมวลให้เป็นผู้เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลเลาะห์เป็นผู้ชี้แนะไปสู่ศาสนาอันเที่ยงตรง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 บอด नीड ได้เปิดเผยถึงจุดจบของบรรดาผู้ปฏิเสธโดยได้ยกอุทธาหรณ์ถึงประชาชาติที่มีพลังเข้มแข็งที่สุดแต่หญิงยะโสคือกลุ่มชนของอาร์ทซึ่งความหญิงพยองของพวกเขาถึงขั้นที่พวกเขากล่าวว่าผู้ใดจะมีพลังเข้มแข็งกว่าพวกเราและได้กล่าวถึงสิ่งที่ประสบแก่พวกอาร์ทและพวกสมุทรคือความพินาศอย่างย่อยยับ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 โดยอยู่ร่วมกับบรรดานบีบรรดาผู้ซื่อสัตย์ยึดมั่นในสัจธรรมและบรรดาผู้ตายชะฮีดและบรรดาคนศอเลต่อมาบทได้กล่าวถึงสัญญาณต่างๆแห่งจักรวาลที่ปรากฏเป็นภาพลักษณ์แก่สายตาในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เพียบพร้อมด้วยเคล็ดลับและสิ่งแปลกประหลาดมากมายและท่าทีของผู้ปฏิเสธต่อสัญญาณต่างๆที่ประจักษ์ชัดแจ้ง บทได้จบลงด้วยสัญญาณของอัลเลาะห์ที่มีต่อมนุษยชาติว่าพระองค์จะทรงเปิดเผยให้พวกเขาได้เห็นเคล็ดลับบางประการของจักรวาลนี้ในบั้นปลายของวันสิ้นโลกเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงความจริงตามที่อัลกุรอานได้บอกเล่าไว้บทฟุศซิลัตถูกขนานนามเช่นนี้เพราะอัลเลาะห์ทรงแจกแจงสัญญาณทั้งหลายไว้ในบทนี้ทรงอธิบายอย่างชัดแจ้งถึงหลักฐาน ที่ประจักษ์ถึงการมีและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ตลอดจนการสร้างจักรวาลอย่างวิจิตรพริศดาซึ่งเป็นที่ยืนยันถึงความยิ่งใหญ่แห่งอำนาจของพระองค์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออาเมนฮามีม تنزل من الرحمان الرحيم القرآني ได้ถูกประทานลงมาจากพระผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอทีตะบุฟุศซิละอายาเตฮุกุรอานาลอรบียาลิกอมียะลามูนคําผีซึ่งองค์การ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 ดังนั้นเจ้าจงทําสิ่งที่เจ้าพึงกระทําเถิดสําหรับพวกเราก็จะทําตามสิ่งที่เราจะกระทําอุลอินนามาอะนะบัชรมิตลุกุมยูฮาอิลัยอันนามาอีลาฮุกุมอีลาฮุวาฮิดฟัสตากิมูอิลัยฮิวัสตัฆฟิรูฮูวะไนลลิลมุชริกีนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัด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 และพวกเขาคือพวกปฏิเสธศรัทธาต่อวันปรโลกอินนัลลซีนาอามะนูวะอามิลุสศอลิฮาติละฮุมอัจรุนกอยรุมัมนุนแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดี สำหรับพวกเขานั้นจะรับรางวัลอย่างมิขาดสายอุลอีนนกุมละตักฟุอูนบิลลซีคอลอลอัซฟียะมัยนวะตะญะออลูนละฮูอันดาดาซาลิกร็อบบิลอาละมีนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้ทรงสร้างแผ่นดินภายใน 2 วันและพวกเจ้าตั้งภาคี คือเคียงกับพระองค์ตะนั้นหรือนั่นคือพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกวะจาลาฟีฮารออาสิยะมินฟาวกฮาวะบาวะกะฟีฮาวะกัดดะรฟีฮาอักวาตฮาฟีอัรบะอะติอัยยามฟีอัรบะอะติอัยยามมินซะวาอัลลิซาอีนแลในพฑินนั้น พระองค์ทรงทําให้ภูเขาตั้งมั่นอยู่บนมันและทรงให้มีความจําเริญในนั้นและทรงกําหนดปัจจัยอย่างชีพของมันให้มีขึ้นในระยะเวลา 4 วันอย่างเท่าเทียมกันแก่บรรดาผู้ใต้ถามสมัสตวาอิลัสมาอ์วะฮียะดุคานุนฟะกอลลาฮาวะลิลอัรฎิยาตออุนออกอรฮา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 فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اناพระองค์ทรงสร้างมันสำเร็จเป็นชั้นฟ้าทั้ง 7 ในเวลา 2 วัน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 ਕੋ ਜੰਗਲਾਵ ਥਰ ਮੁਹਮਮਦ ਵਾ ਚੰਨ ਖੋ ਤੂਰਨ ਫੂਕ ਜਾਓ ਹਾਈ ਰੰਲਕ ਤਿੰਗ ਕਵਮ ਹਾਇਨਾ ਯੇਂਗ ਕਵਮ ਹਾਇਨਾ ਖੋ ਫੂਕ ਆਰਤ ਨਾ ਫੂਕ ਸਮੂਦ ਇਜਾਤ ਹੁਮ ਤੁਰਸਲੂ ਮਿਨ ਬੈਨ ਆਈਦੀਹਿਮ ਵ ਮਿਨ ਖਲਫਿਹਿਮ ਅਲਾ ਤਾਅਬਦੂ ਇਲਾ ਲਲਾਹ ਲਾ ਅਜ਼ਲਮ ਲਾਇਕਤਨ ਫ ਇਨਨਾ اننا بما ارسلت به كافرون จงรำลึกถึงบรรดารอซูลได้มายังพวกเขาจากทางข้างหน้าพวกเขาและจากทางข้างหลังพวกเขาโดยกล่าวว่าพวกเจ้าจะได้เคารพภักดีผู้ใดนอกจากอัลเลาะห์พวกเขากล่าวว่าหากพระผู้บานของเราทรงประสงค์ แน่นอนพระองค์จะต้องส่งมาลัยกะลงมาดังนั้นเราจึงปฏิเสธศรัทธาในสิ่งที่พวกท่านถูกส่งมา وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ سونพวกอาร์ตนั้น พวกเขาได้หยิ่งผยองในแผ่นดินโดยไม่เป็นธรรมและพวกเขากล่าวว่าผู้ใดจะมีพลังเข้มแข็งกว่าพวกเราพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลเลาะห์ผู้ทรงสร้างพวกเขานั้นทรงพลังเข้มแข็งกว่าพวกเขา تا وہ کوں کو یانگ کھونگ پتی سے สัญญานตางตางของเรา تا เอาซัลลานอะลัยฮิมรีฮันซอรซอรฟีอัยามินนะฮาซาตฟีอัยามินนะฮาซาตลินุซีกะฮุมมะอาซาบัลคิซฟิลฮายาติดุนยาวะละอาซาบุลอาคิเราะฮ์อะคซาวะฮุมลา ยุนซอรون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 واما ثمود فهدينهم فاستحب العمى على الهدى فاستحب العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون لا سونพวกสมูดนั้น เราได้ชีเนะให้แก่พวกเขาแต่พวกเขาชอบเลือกเอาการตาบอดมากกว่าการอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง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 และจงรำลึกถึงวันหนึ่งซึ่งเหล่าศัตรูของอัลเลาะห์จะถูกชุมนุมเพื่อเข้าสู่ไฟนรกโดยพวกเขาจะถูกจัดเป็นแถวๆฮัตตาอิซามาจาอูฮาชะฮีดะอะลัยฮิมซะมอะฮุมวะอับซารุฮุมวะจุลูดุฮุมบิมากานูยะอ์มะลูนจงกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงนรกหูของพวกเขาและตาของพวกเขาและผิวหนังของพวกเขา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 ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون لا بเจ้า ก็ไม่เคยปิดบังการทําความชั่วว่าหูของพวกเจ้าและตาของพวกเจ้าและผิวหนังของพวกเจ้าจะเป็นพยานคัดค้านพวกเจ้าแต่พวกเจ้านึกคิดว่าอัลเลาะห์ไม่ทรงรู้ส่วนมากในสิ่งที่พวกเจ้ากระทํา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 فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْثِرُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ تنันหากพวกเขาอดทนต่อการลงโทษได้ ไฟนรกก็คือที่พำนักของพวกเขาและถ้าหากพวกเขาวิงวอนขอความโปรดปรานพวกเขาก็จะไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ได้รับความโปรดปราน وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين لراوได้กำหนดสหายไว้สำหรับพวกเขา แล้วพวกเขาก็ได้ทําให้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าของพวกเขาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาให้เป็นที่ลุ่มหลงแก่พวกเขาฉะนั้นประกาศิตการลงโทษแก่ประชาชาติต่างๆของพวกยินและมนุษย์ที่ได้ล่วงล้ำไปก่อนหน้าพวกเขานั้นก็เป็นการสะสมแก่พวกเขาแล้วแท้จริงพวกเขาเป็นผู้ขาดทุน وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوف فيه لعلكم تغلبون فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ تدอนแน่นอนเราจะให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาลิ้มรสการลงโทษอย่างแสนสาหัส และแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาตามความชั่วที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ ذالك جزاء اعداء الله ان لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون นั่นคือการตอบแทนแก่เหล่าศัตรูของอัลเลาะห์คือไฟนรกสำหรับพวกเขาจะพำนักอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล เป็นการตอบแทนตามที่พวกเค้าได้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราวะกอลัลละซีนกะฟะรูร็อบบะนาอะรินัลละซีนอฎัลลานามินัลญินนิวัลอินาสนัจญัลฮูมาตะหตะอกดามะลัลลิยะกูน่ามินัลอสฟะลีนละบันดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าโอ้พระผู้พิพากษาของเรา ได้โปรดให้เราได้เห็นทั้งอยอยไดอย 2 อย่างทั้งพวกผีและพวกมนุษย์ผู้ซึ่งทําให้เราหลงทางเพื่อที่เราจะให้มันทั้ง 2 อยู่ใต้เท้าของเราเพื่อว่ามันทั้ง 2 จะได้อยู่ในหมู่ผู้เลว 3 ยิ่งอินนัลลดีนะกาลูร็อบบะนาลลอฮุซุมมาอสตะกามูตันซัลอะลัยฮิมุลมาลาอิกะ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ تاเจง บรรดาผู้กล่าวว่าอัลเลาะห์คือพระผู้บิบาลของพวกเราแล้วพวกเขาก็ยืนหยัดตามคํากล่าวนั้นมาลาอิกะห์จะลงมาหาพวกเขาโดยกล่าวกับพวกเขาว่า พวกเจ้าอย่าหวาดกลัวและเศร้าสลดใจแต่จงต้อนรับข่าวดีคือสวนสวรรค์ที่พวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว้เถิดนะห์นูเอาลิยาอุกุมฟิลฮายาติดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์วะลากุมฟีฮามาตัชตะฮีอันฟุซุกุมวะลากุมฟีฮามาตัดดะอูนพวกเรา เป็นผู้อารักขาพวกเจ้าทั้งในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และปรโลกและสําหรับพวกเจ้าในสวนสวรรค์นั้นจะได้ในสิ่งที่จิตใจของพวกเจ้าปรารถนาและสําหรับพวกเจ้าในสวนสวรรค์นั้นจะได้ในสิ่งที่พวกเจ้าเรียกร้องนูซุลัมมินกะฟูรอัรเราฮีมเป็นการต้อนรับจากพระผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ